มีปัญญากะตมาติเพราะฉะนั้นท่านจึง อาระ paths อาและมนุปนิชาญ ชาต低حหนึ่ง เรียกว่ารักฆรีนูปนิชาญและว่าชา hjäl Rouge แต่เพ่งเพื่อให้ได้ปัญญาเพื่อให้มีผลทางการในกรณีพิเศษ ประนวิปัดสายวิปัสสนาสายมาผลจึงเรียกว่าเป็นลักขณูปนิชานเป็นสมาธิเพ่งลักษณะที่นําปัญญาเข้า เนี่ยเนี่ยเพลงเป็นผลได้เพราะฉะนั้นเหมือนกับเราถ้าเราเทียบ อันนี้จะผิดกับการฟังทางวิชาการมากการฟังทางวิชาการจากข้อกรรมจากอะไรอย่างอื่นเป็นอาจจะ อันนั้นคนที่ทําฌานที่เพ่งอารมณ์อะไรเนี่ยเพียงแต่ว่าอาศัยอารมณ์นั้นเป็นที่สงบใจเท่านั้นเองเท่านั้นน่ะ เป็นอาตาสีเขียวบ้างเป็นอาตาสีเหลืองบ้างเป็นอาตาตามที่ตัวเองตีความอารมณ์ที่ พอถึงวิปัสสนาจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยเราไม่พูดข้ามเลยไปนะไม่เอาไอ้ความคิดข้ามเลย เรื่องนามรูปในระดับภูมิของญาณที่ 4 เลยแต่ถ้าเลย 4 ไปอาจได้เนี่ยทําไมถึงไม่เข้าใจผิดกอบเราว่า 4 คิดว่านาม 4 ของเรา เป็นอัตตาแท้จริงของเราไม่มีเด็ดขาด อีกปัญหาที่ตอบว่าเมื่อกี้ว่าที่กําหนดองค์เพราะอะไรตอบว่าเพราะอํานาจของพลังในการ และกิเลสที่ยกขึ้นมากล่าวถึงนี้ก็คือ 5 มี 5 ตามลำดับองค์ฌานไม่ได้เรียง 5 อัน 5 ให้เราเรียงตาม สีนามิธะเป็นข้อ 3 ใช่มั้ยแล้วก็อุทธัจจกุกกุจจังก็ 4 วิจิกิจฉาเป็นข้อ ถ้าถามว่าอย่างเราเนี่ยมันก็ก็มีวิตกเป็นต้นเนี่ยทําไมวิตก <c oughs> ในที่นี้ก็หมายถึงยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ฌานนั้นว่าเป็นอารมณ์อะไรง่วงหาวครึบแปลท่านๆ แล้วก็จะต้องนอนแต่มันก็ไม่แน่ทีก็แล จิตยกขึ้นยกตัวมันเองน่ะมันก็ขึ้นโดยแล้วก็ยกสภาวะธรรม ดินามิฏฐะคลายดินามิฏฐะอยู่บ้างเช่นเราพูดถึงคนวิตกจริตคน นอนไม่หลับแล้วปรากฏว่าคิดพยาบาทคิดห่วงใยเนี่ยก็เลยบางตายไป นอนเสียดีกว่าถ้าจะต้องทําความเชื่อบางอย่างนอนซะดีกว่าง่วงผมก็นึกออกท่านก็คงนึกออกเออมัน เนี่ยกําลังง่วงๆเนี่ยแต่พอมันมีอารมณ์เป็นที่ถูกใจมันจะเดินประการใดประการหนึ่งคนเนี่ยบอกเอ่อลูกหลานทั้ง คนบางคนนั้นบางคนนั้นเวลาฟังธรรมเวลาปฏิบัติตามตาตะตาไสตา อย่างสมมุติเราไปในบ้านเนี่ยไหนครับผมก็หวานๆไม่ใช่แค่เบื่อคือเบื่อไอ้ ไอ้บรรยากาศอย่างนั้นมันไม่มีสาระกันอะไรก็ไม่รู้ไม่มีสาระไม่มีสาระคุยกันครับถ้าไม่เชื่อๆไอ้เราก็แหม่ นะแต่เราก็ไม่พยายามๆเนี่ยแค่เราจะทนฟังเนี่ยเราที่มันหลับไม่ลงก็เห็น <c oughs> <laughs> มันได้เบิกบานมันเหมือนกับเวลาถ้าเราไปอยู่ในบางที่ถึงไม่มีอารมณ์กระตุ้นอย่างกว่าเอ่อสิ่งแวดล้อม นี่ไอ้วิตกเนี่ยบังเอิญมันมีทั้งอกุศลวิตกมีทั้งกุศลวิตกในเช่นถ้า นี่เขาเรียกกันนําอารมณ์แห่งความมาเวลาคนนอนไม่ ตั้งสัญญาว่ามืดตึกว่ามืดเนี่ยมันก็เหมือนกินยามัน เป็นความขัดแย้งที่มาเป็นประโยชน์กันได้เหมือนกันอย่างนี้กรณี มีบางคนที่ใช้วิดีแก้ง่วงโดย จะทําให้ละความง่วงด้วยแล้วก็ละกิเลสอื่นด้วยวิตกดกุศลเนี่ยนะครับเอาก็จะเห็นว่าถ้าเป็นเช่นเนกขัมมะวิตกเนกขัมมะวิตกนะไอ้ตัวลักษณะวิตก <c oughs> ตรึกอยู่กับสิ่งเหล่านี้จะตึกด้วยอีกเป็นหลายประการเรียกว่าเป็นเนกขัมมะวิตกอารมณ์ของ เลยได้ 2 อย่างเลยที่เป็นกิเลสปฏิปักคือทีนะก็ไม่มีแล้วก็ ก็ให้ตรึกถึงอารมณ์นั้นทีนี้ถ้าเป็นเช่นตรึกถึงอาโลกะ นึกถึงว่าสว่างๆเหมือนเรานอนหลับอยู่แล้วมีใครเอาแสงมาส่องใส่หน้าก็ทําให้ๆนี่ ลากคนง่วงอ่ะลืมไปนึกว่าตัวอีเอนที่บังตัวเวลาง่วงเลย <c oughs> ไม่กล้านอนแต่เดี๋ยวพับเหลือก็ง่วงอีกนี้ถ้าเป็นวิตกระดับ ความจริงอารมณ์ของฌานเนี่ยแม้ว่าอารมณ์แต่อารมณ์ทุกอารมณ์นั้นมีฐานะละเอียดเหมือนเป็นดวงความสว่างเหมือนเหมือนบริสุทธิ์ เป็นแสงสว่างก็เป็นแสงสว่างที่ละเอียดละหนีดมีพลังสูงมากเนี่ยเป็นอารมณ์ของพวกเนี้ยมันมีพลังที่มีพลังก็เนี่ยจึงใช้บวก คนแล้วก็ดึงจิตมาที่ประชุมไว้แล้วก็ดึงจิตมาดึงจิตมาว่าใครตั้งตามตั้งว่าใส่ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องไปนั่งไล่ทีจะรู้ถึงขนาดนั้นคนทีละคนแต่ท่านก็สบายเพื่อ <c oughs> การประคองไว้เนี่ยเท่ากับเป็นการรักษาแนวทางรักษาสิ่งนั้นไว้ในที่ท่าน <c oughs> <c oughs> กำหนดไว้ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งไว้แล้วก็ไม่ประคองขิดไว้ในในสิ่งนั้น โอกาสที่เราจะลังเลโอกาสที่เราจะไม่นะว่าอ่าสมมุติว่าคนหนึ่งก็มี <c oughs> เจอหน้าเขาก็ดีหน้าเค้าก็ดีตื่นเช้าก็ดีนึกถึงเค้าก็ดีให้พยายามแผ่เมตตาไว้เพื่อคุ้มครองใจตัว ทำจนอาทิตย์นึงแล้ว 2 อาทิตย์นึงแล้วก็รู้สึกเหมือนเคยดีขึ้น รักษาธรรมรักษาใจไว้กับธรรมรักษาพฤติกรรม ตัววิจารณ์เนี่ยนะครับไอ้ตัววิจิกิจฉาเนี่ยไม่เกิดเพราะฉะนั้น เรียกว่าเอ่อร่วมหอหรือร่วมปรุงใจหรือร่วมหอลงลงกับธรรมะ มีตกความตึกเป็นอย่างนี้วิจารณ์ความประคองใจเป็นอย่างนี้ปิติ มันคืออะไรเพราะว่าในวงการปฏิบัติดีก็สงสัยมากกว่าไอ้ปิติเนี่ยบางอันหนึ่งที่ เป็นตัวยืนนะทีนี้เมื่ออิ่มใจแล้วบางทีก็แสดงอาการออกอย่างนั้นอย่างนี้ไปดวด ยกหน้ายกหลังโยกอยากจะลุกโยกอยากจะเลิกไม่เป็นปีติฉะนั้นปีติต้องมีความรู้สึกยืนแล้วมันสะท้อน ที่อาจจะเป็นเป็นเรื่องควรพูด เรเรเรเรานึกถึงไอ้ไอ้ความโกรธเนี่ยมันเป็นเรื่อง เยี่ยวเพราะไอ้ไอ้ความอิ่มน้ําไม่มีความชุ่มน้ํามันน้อยจากอิจฉา เวลาคนโกรธเนี่ยถ้าเรายิ่งไปด่าเขายิ่ง ความประพฤติแล้วก็โดยข้อธรรมที่ได้รู้ได้เห็นเนี่ยเมตตาเนี่ยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมเนี่ยทําให้เค้า แต่เอาเหี่ยวเฉาอยู่เนี่ยเราเอาน้ําไปประพรมนิดเดียวเท่านั้นแหละครับชุ่มเยอะงั้นเรามองคนพวกนี้ด้วย เรเราก็ช่วยให้ความชุ่มชื้นกันนิดนึงประคนพวกนี้คนลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็เมื่อคืน ไอ้กับเหี่ยวแล้วก็เหี่ยวตามกับตามกล่าวมันก็ร้อน เออพูดได้ดีๆหน่อยเดี๋ยวหาว่าพูดเยอะๆบางนั้นเหรอแม่ผมเข้าใจผิดนะๆอันนี้คุณถูกแล้ว <c oughs> <c oughs> แต่เราก็พอรู้อยู่บ้างแล้วล่ะเราก็พอรู้อยู่บ้างแล้วล่ะอิ่มตัวเนี้ยมันเป็น <c oughs> <c oughs> เอาไปว่าอิ่มมันมี 2 อย่างอิ่มด้วยความโลภกับอิ่มด้วยความไม่โลภถ้าอิ่มด้วย เราลองคิดดูว่าเวลาคนเกิดความโลภอ่าแล้วคนที่ไปดูละครดูข้องอยู่กับกามไม่ <c oughs> ชาวบ้านหญิงชายกะราบดีกับกะราบดีหรือหรือใครก็ตามที่เขาได้แต่งงานกันเจ้าบ่าวก็รูปงามเจ้าสาว มันก็เกิดปิติเกิดความสาสั่นขึ้นในใจทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัว ด้วยความเบื่อลอนใจล่ะนี่เป็นนี่เป็นกรณีอันหนึ่งนั้นก็ในเนี่ยมองเห็นคู่ <c oughs> แต่อาจะมาเกิดปิติเพราะธรรมะว่าเราพ้นแล้วจากเรื่องเหล่านี้เราไม่ <c oughs> <c oughs> อ่าที่เป็นโลภะในกรณีอื่นๆอย่างพยาบาทปิดใจนี่เป็นเป็นอ่ะฮะอย่างคนที่พยาบาทกับ <c oughs> เวลามันปิดปากปราศรื่นก็เกิดปยาบาทเกิดความเสียใจมากเท่านั้นจะเป็นว่าเค้าตายจากไปก็ดีหรือเค้าเดิน <c oughs> ระยะใกล้ระยะไกลได้มากเท่านั้นคนที่ทําๆเรื่องงานทั้งการ <c oughs> ตัวลอยบ้างบางทีก็มีปฏิกิริยารุนแรงถึงขนาดว่าเตียง แล้วก็มองเห็นเกิดความเข้าใจอะไรขึ้นมาก็เปิดความเข้าใจขึ้นมาเลยเห็นเกิดความเข้าใจอะไรจริงๆนี่เรื่องแล้วก็อีกอีกรายนึงนี่เป็น น่าอ่านมากเค้าบอกว่าเค้าไปทํากรรมฐานที่ที่จังหวัดราชบุรี 97 นึง 96 2496 ก็ไปครั้งแรกเหมือนกันแต่ไป ลุบไปเห็นไอ้สิ่งที่เค้าปลูกพันธุ์ยึดติดทั้งที่ยังอยู่กับ ที่เขาบอกว่าเห็นเป็นไอ้หน่วยของบ้านไอ้ไอ้หน่วยละเอียดที่มันผสมขึ้นกัน ได้เห็นอย่างนี้เห็นตัวเราลึกแค่ไหนเห็นคนอื่นลึกแค่นั้นบอกให้ไปเห็นอย่างเนี้ยพวก กับสิ่งเหล่านั้นก็หายไปหมดเลยเพราะสิ่งที่เป็นที่ชอบใจก็ แล้วก็มาเห็นอย่างนี้ได้เห็นได้อย่างไรมาเห็นอย่างนี้ได้เห็นได้ยัง อุทธัจจะกุกกุจจะคือความฟุ้งซ่านกับความนั้นน่ะไอ้ความฟุ้งซ่านไปๆมันกําลังแสวง คนที่มันคิดเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีความสุขอยู่ในตัวเองแล้วก็ อุเบกขาคือความนิ่งนั้นเผากามฉันทะเอ่อตรงนี้น่ะเราอาจจะนึกเข้า <c oughs> คำในทางศาสนาเนกขัมมะในทางศาสนาในทางหลักการเนี่ยจริงใช้ในในหลายนะการบวชเป็นเนกขัมมะในทางรูปะ <c oughs> ฌานระดับหนึ่งเป็นการออกจากกามในทางจิตระดับหนึ่งแล้วก็อนาคามิ 3 การออก เป็นเนกัมมะอย่างอีกอย่าง